อย่างไรก็ดีศรัทธาในพุทธธรรมมีเหตุผลเป็นฐานรองรับมีปัญญาคอยควบคุมจึงยากที่จะผิดนอกจากพ้นวิสัยจริงๆแล้วก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ไม่ดิ่งไปในทางที่ผิดและคอยรับรู้เหตุผลค้นคว้าและทดลองอยู่ตลอดเวลาการขาดศรัทธาเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ชะ ง, งักไม่ก้าวหน้าต่อไปในทาง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 ตอในใจที่ภิกษุนั้นยังสละทิ้งไม่ได้คือ 1. ภิกษุสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในพระศาสดา 2. อภิกษุสงสัยเครือบแคลงไม่ปลงใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในธรรมะ 3. ภิกษุสงสัยเครือบแคลงไม่ปลงใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในสงสี่ ภิกษุสงสัยเคลือบแคลงไม่โปรงใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในศิกขาห้าภิกษุโกรธเคืองน้อยใจมีจิตกระทบกระทั่งเกิดความกระด้างเหมือนเป็นตอเกิดขึ้นในเพื่อนพรหมจันทร์จิตของภิกษุผู้ยังสงสยัยเคลือบแคลงไม่ปร่งใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในพระศาสดาในธรรมะในสงในศิกขา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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อมีรู้วิธีกำหนดวาราจิตของผู้อื่นพึงกระทาการพิจารณาตรวจสอบในตถาคตเพื่อทราบว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะหรือไม่ภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อมีรู้วิธีกำหนดวาราจิตของผู้อื่นพึงพิจารณาตรวจสอบตถาคตในธรรมะสองอย่าง คือในสิ่งที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูว่าเท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูธรรมะที่เศร้าหมองมีแก่ตถาคตหรือหาไม่เมื่อเธอพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นก็ทราบได้ว่าธรรมะที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูที่เศร้าหมองของตถาคตไม่มีจากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคต ยิ่งขึ้นไปอีกว่าเท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูธรรมะที่ชั่วบ้างดีบ้างปนป น, ปนกันไปมีแก่ตถาคตหรือหาไม่เมื่อเธอพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นก็ทราบได้ว่าเท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูธรรมะที่ดีบ้างชั่วบ้างปนป น, ปนกันไปของตถาคตไม่มี จากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าเท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหูธรรมะที่สะอาดหมดจดมีแก่ตะถาคตหรือหาไม่เธอก็ทราบได้ว่าเท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหูธรรมะที่สะอาดหมดจดของตถาคตมีอยู่จากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้น ให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้นี้ประกอบพร้อมบูนซึ่งกุศลธรรมนี้ตลอดการยาวนานหรือประกอบชั่วเวลานิดหน่อยเธอก็ทราบได้ว่าท่านผู้นี้ประกอบพร้อมบูนซึ่งกุศลธรรมนี้ตลอดการยาวนานมีใช่ประกอบชั่วเวลานิดหน่อยจากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบทศฐาคตนั้น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 เธอก็ทราบได้ว่าท่านภิกษุผู้นี้เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศแล้วไม่ปรากฏข้อเสียหายบางอย่างเช่นนั้นจากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นแย่ยิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้นี้เป็นผู้งดเว้นอกุศลโดยไม่มีความกลัวมิใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัวไม่เสวนากรรมทั้งหลาย ก็เพราะปราศจากราคาเพราะหมดสิ้นราคะหรือหาไม่เธอก็ทราบได้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัวไม่ใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัวไม่เสวนากามทั้งหลายก็เพราะปราศจากราคาเพราะหมดราคะหากมีผู้อื่นถามภิกษุนั้นว่าท่านมีอาการะคือเหตุผล อนวยาคืออย่างทราบได้อย่างไรจึงทำให้กล่าวได้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัวมีใจผู้งดเว้นเพราะกลัวไม่เสวนากรรมทั้งหลายก็เพราะปราศจากราคะหมดราคะภิกษุเมื่อจะตอบแก้ให้ถูกต้องพึงตอบแก้ว่าจริงอย่างนั้นท่านผู้นี้เมื่ออยู่ในหมู่ก็ตาม อยู่ลำพังผู้เดียวก็ตามในที่นั้นๆผู้ใดจะปฏิบัติตนได้ดีก็ตามจะปฏิบัติตนไม่ดีก็ตามจะเป็นผู้ปกครองหมู่คณะก็ตามจะเป็นบางคนที่ติดวุ่นอยู่ในอาม i ตรก็ตามจะเป็นบางคนที่ไม่ติดด้วยอาม i ตรก็ตามท่านผู้นี้ไม่ดูหมิ่นคนนั้นๆเพราะเหตุนั้นๆเลยข้าพระเจ้าได้สดับได้รับฟังถ้อยคามา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 ธรรมะที่เศร้าหมองมีแก่ตถาคตหรือหาไม่ตถาคตเมื่อตอบแก่ก็จะตอบแก่ว่าไม่มีถามว่าธรรมะที่ดีบ้างชั่วบ้างปนปกันไปมีแก่ตถาคตหรือหาไม่ตถาคตเมื่อตอบแก่ก็จะตอบแก่ว่าไม่มีถามว่าธรรมะที่สะอาดหมดจดมีแก่ตถาคตหรือหาไม่ ตถาคตเมื่อตอบแก่ก็จะตอบว่ามีเรามีธรรมะที่สะอาดหมดจดนั้นเป็นทางดําเนินแล้วเราจะเป็นผู้มีตัณหาเพราะเหตุนั้นก็หาไม่ศาสดาผู้กล่าวได้อย่างนี้แหละสาวกจึงควรเข้าไปหาเพื่อสดับธรรมศาสดาย่อมแสดงธรรมแก่สาวกนั้นสูงยิ่งขึ้นไปขึ้นไปประณีขึ้นไปนขึ้นไป ทั้งธรรมะดำธรรมะขาวเปรียบเทียบไม่เห็นตรงกันข้ามศา ส, สดาสแสดงธรรมแก่ภิกษุอย่างใดๆภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมะบางอย่างในธรรมะนั้นอย่างนั้นๆนแล้วยอมถึงความตกลงใจในธรรมะทั้งหลายยอมเลื่อมใสในศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธะธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว สงเป็นผู้ปฏิบัติดีหากจะมีผู้อื่นถามภิกษุนั้นต่อไปอีกว่าท่านมีเหตุผลคืออาการะอย่างทราบคืออันวยาได้อย่างไรจึงทำให้กล่าวได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธะธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว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 อันสมณะหรือพราหมณ์หรือเทพเจ้าหรือมารหรือพรมรือใครในโลกให้คลาดเคลื่อนไม่ได้การพิจารณาตรวจสอบธรรมะในตถาคตเป็นอย่างนี้แหละและตถาคตยอมเป็นอันได้รับการพิจารณาตรวจสอบดีแล้วโดยในยะนี้ พึงสังเกตว่าแม้แต่ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถูกถือว่าเป็นบาปหรือความชั่วเลยถือว่าเป็นเพียงสิ่งที่จะต้องแก้ไขให้รู้แน่ชัดลงไปจนหมดสงสยัยด้วยวิธีการแห่งปัญญาและยังส่งเสริมให้ใช้ความคิดสอบสวนพิจารณาตรวจสอบอีกด้วยเมื่อมีผู้ใดประกาศตัวเองแสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้า ก่อนที่พระองค์จะประทานความเห็นชอบจะทรงสอบสวนก่อนว่าศรัท ธ, ธาภะสาธะของเขามีเหตุผลเป็นมูลฐานหรือไม่เช่นครั้งหนึ่งพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลแสดงความเลื่อมใสและพระพุทธเจ้าตรัสตอบดังต่อไปนี้พระสารีบุตรทูลว่าพระองค์ผู้เจริญ าพระองค์เลื่อมสายเนพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าสมณะก็ดีพรามก็ดีอื่นใดที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางสัมโพธิญาณได้นั้นไม่เคยมีจกไม่มีและไม่มีอยู่ในบนัดนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสารีบุตรเธอกล่าวอาสพิวาจาคือวาจาอาดหารเธอกล่าวอาสพิวาจาครั้งนี้ยิ่งใหญ่นัก เธอบรรลือีหนาฏถือเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่าดังนี้นั้นเธอได้ใช้จิตกําหนดรู้จิตของพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เท่าที่มีมาแล้วในอดีตหรือว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีศีลอย่างนี้เพราะเหตุ ด, ดังนี้ดังนี้ทรงมีธรรมะอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีธรรมะเครื่องอยู่อย่างนี้หลุดพ้นแล้วเพราะเหตุนี้เหตุนี้ ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอได้ใช้จิตกําหนดรู้จิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่จะมีในอนาคตแล้วหรือว่าราผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะเป็นอย่างนี้เพราะเหตุ ด, ดังนี้ดังนี้มิใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็แล้วเราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ เธอได้ใช้จิตกำหนดรู้จิตแล้วหรือว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นอย่างนี้เพราะเหตุดังนี้ดังนี้มิใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ในเรื่องนี้เมื่อเธอไม่มีญาณเพื่อกำหนดรู้จิตในพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเช่นนี้แล้วชะไหนเล่าเธอจึงได้กล่าวอสาัพิวาจาอันยิ่งใหญ่นักนี้ เหลือสีหนาฏถือเป็นเด็ดขาดอย่างเดียวดังที่กล่าวมาแล้วพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่มีญาณกำหนดรู้จิตในพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันก็จริงแต่กระนั้นข้าพระองค์ทราบการอย่างแนวธรรมะพระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชามีป้อมแน่นหนา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 จะเข้าออกเมือง น, นี้จะต้องเข้าออกทางประตูนี้เท่านั้นฉันใดข้าพระองค์ก็ทราบการอย่างแนวธรรมะบาลีว่าธรรมันวยะข้าพระองค์ก็ทราบการอย่างแนวธรรมะชันนั้นเหมือนกันว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เท่าที่มีมาแล้วในอดีตทรงละนิวรห้าที่ทาจิตให้เศร้าหมองทาปัญญาให้อ่อนกาลังได้แล้ว มีพระหรไทัยตั้งมั่นดีในสติปัฏฐาน 4. ส่ทรงเจริญโพชฌงเจตตามเป็นจริงจึงได้ตรัสริฐอุตราสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะมีในอนาคตก็จกทรงทมอย่างนั้นแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ทรงละนิวรห้า มีพระไทยตั้งมั่นในสติปฐาน 4, สี่ทรงเจริญโพชฌงเจ็ดตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเช่นเดียวกัน